ิภาวนาเรานั่งรวมหมู่กันเพื่อเป็นกำลังใจของกัลรกันทั้งนี้และทั้งนั้นไม่ใช่หมายความว่าเราเราไม่เคยนั่งภาวนาแลวมาหัดนั่งกันไม่ ไม่ใช่อย่างนั้นทุกคนก็เคยนั่งภาวนามาแต่บางคนก็อาจจะมีจิตใจอ่อนแอสู้อำนาจ ก, กิเลสไม่ได้นั่งภาวนาโดยลำพังตนเองสู้อำนาจ ก, กิเลสไม่ไหวขั้นเมื่อมานั่งรวมกัน อย่างนี้เขาก็ได้รับคำตักเตือนบ้างทีนี้อาจจะมีใจเข้มแข็งขึ้นเอาชนะกิเลสเช่นความว่งเหงาเหาวนอนกามวิตกพยาบาทวิตกวิงสาวิตกอะไรมือนี่ก็มันก็ได้จะได้บรรเทาวบาบางลงทุกคนต้องให้รู้จักว่า กิเลสนี่เนะี่ยมันเป็นศัตรูกับชีวิตเป็นหน้าที่ของเราจะต้องกำรรจัดมันถ้าไม่มีกิเลสนี่เราก็ไม่ได้มัวทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ให้คิดอย่างนั้นผู้มัวเมาในกรรมคุณมาแต่สาสตรหุอนหลังนุ่น เมามากเข้าไปไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรไม่ได้ฝึกขนอารมณ์จิตเลยโดยเข้าใจว่าความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นว่าเป็นสิ่งอำนวยความสุขกให้แก่ตนก็เลยยินดีอยู่่ในอารมณ์เหล่านั้น ไม่นึกถึงภัยที่จะมาถึงตนเพราะความยินดีพอใจในการมคุณการมาสุขสมบัติเหล่านั้นผู้บริโภคกามทั้งหลายนะ่มันคงคนค น, คนรู้ทีอ่ะมัน ย, ยุ่งยากเพียงไหนมันูนวายอย่างไร นี่มันย่อมรู้กันดีๆเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้ตอนอย่างนี้จึงหันหน้าเข้ามาสู่วัดวาศาสนาเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจนี่ให้มันห่างไกลจากกรรมคุณเหล่านั้นเป็นความคิดที่ดี ผู้มีศรัทธาแรงกล้าเขาได้ออกบวชสละบ้านเรือนออกมาบวชแต่ขันบวชแล้วบางคนก็สู้อำนาจกิเลสไม่ไหวอ้าวก็สึกออกไปไปก็ไปหาทุกข์นั่นละอีกไปทำมาหาที่ยังปากเลียงทอง ตัวคนเดียวทีแรกต่อไปก็เกิดมีสองคนสามคนขึ้นมาริงแบกภาระอันหนักเข้าไปอันนี้นี่มันเราเห็นกันอยู่ดาดเดินเลยในโลกอันนี้นะเพราะฉะนั้นพระธรรมหรือว่าคุณธรรมอะ จึงแบ่งคนออกเป็นสองจำพวกจำพวกหนึ่งเห็นโทษแห่งกรรมคุณอย่างแรงกล้าลจึงได้ถอนตัวออกมาบวชจำพวกหนึ่งศรัทธาปัญญาในการที่จะเอาชนะความยินดีพอใจในกรรมคุณไม่เพียงพอ เอาชนะไม่ได้ก็คลองเลื่อนนี่มันก็มีอยสองประเภทนี่แหละคนในโลกนี้นะเพราะฉะนั้นผู้ใดได้มีศรัทธาออกมาบวชแล้วก็ควรที่จะตั้งใจฝึกตนให้เต็มที่เอาชนะมารคือกิเลสต่างๆอันมันจะ โดนวันดานให้ประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้นันให้เอาชนะกิเลสเหล่านั้นให้มันได้ก่อนเมื่อเอาชนะกิเลสเหล่านั้นได้ mm. ก็สามารถประพฤติพรหมจรรย์ติดต่อกันไปได้นี่เราจะได้รับผลจากการประพฤติพรหมจรรย์ น, นี่อย่างเห็นได้ด้วยตนเองแหละผู้ใดประพฤติพรหมจรรย์ โดยความไม่ประมาทเึ่กจิตใจของตนให้สงบอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเช่นนี้ก็อมองเห็นผลแห่งการประพฤติพรหมจรรย์โดยตนเองได้ว่าตนจิตใจเขาตนมีอิสระเสรีไม่ถูกกิเลสตัณหามันครอบงำเอาอย่างไรนี่ มันก็เป็นหน้าที่ของเราผู้เป็นน่าบวชแต่ละรูปจะต้องพิจารณาให้เห็นผลโดยตนเองถ้าถ้าไม่เห็นผลอย่างว่านี่การบระ พ, พรมอาจารย์มันก็ไม่ล่าบรื่นไปได้มันก็ไปเสื่อมลงกลางคันเพราะฉะนั้นผู้บวช พ, พรมอาจารย์ ขอให้พิจารณาดูการประพฤติของตนเท่าที่ตนฝึกตนทรมานตนมาโดยลำดับเนี่ยจนถึงปัจจุบันมันได้ผลเพียงใดจิตใจตนเป็นอย่างไรมันสูงขึ้นกว่าเก่าหรือว่ามันเท่าเดิมอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคน จะต้องพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองผูปกคองเรียนก็เหมือนกันให้นึกว่าเราเกิดเป็นคนมานี่นะบุญกุศลตกแต่งให้มาเกิดเพื่อสร้างบุญสืบต่อเพราะบุญเก่านั้นมันหมดได้ มันตกแต่งให้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นนามอันนี้มาแล้วบุญกุศลก็ตามรักษามาบุญกุศลก็ตามรักษาไม่ให้ล้มไม่ให้ตายก่อนไม่ให้ถึงความมีบัตรต่างๆนี่อำนาจบุญนะรักษาชีวิตไว้นี่นะคิดดูให้ดีแต่ทีนี้เมื่อมัน ให้ผลไปหมดเขตเขามาแล้วบุญเน่ะมันก็หมดลงถ้าบุญเก่าหมดลงชีวิตนี้ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องแตกดับทำลายลงนี่ต้องคิดให้มันเห็นพระเจ้าจึงได้ทรงสอนให้เราสร้างบุญสร้างกุศล ส, สืบต่อไม่อย่างนั้นแล้วชีวิตในภพในชาติต่อไปนั้น ก็จะตกต่าได้รับทุกทนทรมานในพบในชาติที่เกิดนั้นเพราะไม่มีบุญอุดหนุนไม่มีบุญส่งเสริมชีวิตนี้มันก็ตกต่าเท่านั้นแหละไม่มีอะไรเหมือนอย่างคนที่เกิดมาในโลกปัจจุบันนี่แหละคนบุญน้อยอะเกิดมาก็ได้รับทุกทนทรมาน สตปิปัญญาอะไรก็ไม่มีก็ต้องได้ไปเป็นกรรมกรรับจ้างเขาได้เงินค่าครองชีพเป็นวันวันไปเท่านั้นเองพอราทางชีวิตไปก็เมื่อพวกมีปัญญาทั้งหลายมันคนคิดได้คนเรามีความเป็นอยู่แตกต่างกันเอง ก็เพราะอํานาจแห่งการกระทํานี่แหละผู้ใดทําความดีไว้มากผู้นั้นอํานาจแห่งกุศลคุณงามความดีก็อำนวยผลให้มีความสุขมากมีความเจริญมากผู้ใดทําบุญกุศลทําความดีไว้น้อยบุญกุศลความดีนั้นก็ส่งผลให้มีความสุขแต่น้อย มันเรื่องบุญและบาปเนี่ยมันให้ผลสืบต่อกันไปเหมือนขึ้นในมาหาสมุทรทะเลอขึ้นในมาหาสมุทรทะเลเมื่อลูกหนึ่งตั้งขึ้นแล้วไปไปเอาลูกหนึ่งมาตั้งขึ้นมากระทบกันเข้าก็สลายลงแล้วมัตั้งขึ้นไหม หนุนกันขึ้นมาเรื่อยลูกเก่าดับไปลูกใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนชีวิตของคนเรานี่ก็เป็นเช่นนั้นแหละอาศัยบุญกรรมที่ทํามาแต่ชาติก่อนมนันนําดวงวิญญาณให้มาเกิดในโลกนี้เกิดมาแล้วบุญเก่าบุญกรรมม น, นั่นแหละก็มาอํานวยผลให้เป็นทุข บางเป็นทุกข์บ้างเมื่อบุญนี่หมดลงไปแล้วบุญเก่าหมดลงไปถ้าบุคคลได้ทำบุญใหม่สืบไว้ในชาตินี้บุญใหม่ก็จะรองรับอุงจิตนี้ให้ไปบังเกิดที่สุขสบายแน่บุญเก่ามันก็บุญ ที่ทำมาแต่ก่อนมันก็หนูนให้มาเกิดในชาตินี้บุญที่ทำในชาตินี้มันก็หนูนให้ไปเกิดในชาติหน้าต่อไปบางคนก็อาจจะสงสัยว่ า, าถ้าบุญเก่าหมดแล้วมีแต่บุญใหม่หนูนส่งไปถ้าเช่นนั้นการสร้างบุญบา ร, รมีมันทำไมมันยึงเต็มได้ เพราะว่าสร้างมาแล้วก็หมดไปแล้วต้องสร้างใหม่อีกจึงมีอีกอย่างนี้เมื่อดูพิจารณาผิวเผินแล้วมันน่าสงสัยจริงๆตรงนี้นะมันไม่เป็นอย่างนั้นคือว่าเหตุนั้นน่ะมันเป็นของด้างเดิมผล น, นั่นเป็นของเกิดขึ้นไม่ มาในเมื่อบุคคลมาฝึกจิตใจของตนให้พอใจในบุญในกุศลพอใจในการละบาปบำเพ็ญบุญขึ้นมามากเท่าไหร่เหตุอันก่อให้เกิดบุญกุศลนั่นมันก็มากขึ้นมันก็วังอยู่ในจิตใจนั่นแหละเหมือนอย่างเราคนทำนาเน่ะ เมื่อทำนาเสร็จแล้วก็มาเลือกเข้าปลูกเอาเอาจเจ้าข้าวดีๆแล้วก็เก็บไว้อย่างดีไม่ขายไม่บริโภคนี่ถึงปีใหม่มาก็เอาไปหวานเป็นกล้าลงมาแล้วก็ถอนออกมาปักดำลงไปอย่างนี้อ่ะอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยอัน ตัวบุญกุศลแท้มันก็อยู่ที่จิตนั่นเนี่ยจิตเบิกบานผ่องใสจิตตั้งมั่นจิตไม่ตกไปในทางบาปอกุศลนั่นเราเรียกว่ารากเง้าของบุญกุศลมันมีอยู่ในใจอันนั้นมันไม่ดับให้เข้าใจมันไม่หมดมันตามดวงจิตนี้ไปทุกแห่งทุกหน ส่วนว่าผลที่มันอำนวยให้ได้เกิดมาเป็นรูปเป็นกายอันนี้นะ่ะนี่มันหมดเป็นขอให้เข้าใจแบ่งออกเป็นสองประเภทยอย่างนี้มันจึงไม่สงสัยไอฝ่ายอากุศลก็เหมือนกันเมื่อบุคคลสะสมความโลภไว้สะสมความโกรธความหลงไว้ ในชาติก่อนหนังหลังนั้นอ่ะกิเลสอันนะมันกับันดานให้ทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นมีการดื่มสุราเมลัยเป็นที่สดุดเมื่อตายแล้วบาปกรรมอันนั้นก็นำไปสู่นรกอย่างหนักนะอย่างเบาลงมาก็เป็นปเปรตหมอลงมากูนั้นก็เป็นอัสุรกายเป็นตั์เดริชาน โดยลาดับพวกที่มาเกิดเป็นสัตว์ในฉานนี่กรรมไม่หนักเท่าไรนี่นะกรรมเบาอันนี้บาปกรรมคือความโลภความโกรดนั่นนะ่ะมันฝังอยู่ในจิตใจของสัตว์นรกแม้ว่ามันจะได้ไปตกนรกทนทุกข์ทรมานโยอันความโลภความโกรธมันก็มีอยู่ในใจอย่างนั้นแหละ ใน้ทนทุกทรมานอยู่ไหนก็ตามขอพ้นจาก น, นรกแล้วเกิดมาเป็นคนอกีกก็มาโลภมาโกรธอยู่ของเก่านั่นแหละถ้าไม่ได้พบนักปราชญ์ัณดิตไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นนะมันก็โลภมันก็โกรธอยู่ของเก่านั่นแหละนั่นแหละหลากเงาของ บาปอากุศลต่งางๆมันมีเอมแม้ว่าร่างกายนี้มันจะแตกดับลงแต่รากเหง้าของกิเลสเหล่านี้มันก็ฝังอยู่ในใจิตใจมันติดตามไปทุกแห่งทุกหนเช่นเดียวกับรากเง้าของบุญกุศลนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงนตรัสว่าบุญกุศล น, นี่น่ะบุคคลกระทาไม่เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของตนแล้วย่อมติด ตามไปทุกแห่งทุกผลเหมือนเงาติดตามตัวไปเีทรงเปรียบเทียบบาปอกุศลที่บุคคลสะสมไว้ในใจบาปอกุศลอันนั้นก็ติดสอยง่อยตามไปทุกแห่งทุกผลเหมือนยางแอกที่ทับอยู่บนคอวัวที่กําลังลากเกวียนไปอยู่ฉะนั้นนี่ลักษณะของบุญและบา มันให้ผลแตกต่างกันอันบาปนะั้นมันนักน่วงทำชีวิตที่ให้นักน่วงให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเหมือนอย่างงูเทียมเกวียนอย่างนี้แหละมันก็ทนทุกข์ทรมานไปแต่ว่ามันกลัวมนุษย์มันจาเจจำใจต้องอดต้องทนลากลอ้อลากเกวียนไปอยู่อย่างนั้นแหละทีนี้ ลักษณะของบุญกุศลนะ่ะเมื่อพระ ไ, ได้สั่งสมไม่เกิดให้มีขึ้นแล้วก็ทำให้เบาไม่นักไม่น่วงที่ท่านกล่าวไว้ว่าผู้มีบุญมากตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้ามีรูปกลายอันละเอียดเบาเนืกอยากจะไปที่ไหนมันลอยไปเลย ไม่ต้องเดินไม่ต้องนั่งรถนั่งลาเหมือนมนุษย์เราลอยไปเลยคู่เดียวก็ถึงแล้วตามจุดหมายที่ไปนั่นในเช่นนี้แหละพระองค์เจ้าจึงเปรียบบุญกุศลนี่เหมือนกับเงาติดตามตัวอย่างนั้นธรรมดาเงาเนี่ยมันเบานี่ถึงจะติดตามคนไปมันก็ไม่ทำให้คนหนักหน่วงอะไรเลย ในชั้นใดบุญกุศลก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยเมื่อผู้ใดสั่งสมไม่เกิดมีขึ้นในจิตใจแล้วหากว่าบุญกุศลยังไม่เต็มก็จะบรรลุพระนิพพานยังไม่ได้ก่อนบุญกุศลนั้นก็จะตกแต่งรูปกายอันละเอียดให้ดวงจิตจะอยู่อาศัยละเอียดยิ่งกว่าเทวดานั่นได้แก่ภกคลมเนี่ย พร้อมนี่แต่เป็นมนุษย์ในเจริญฌานสมาบัติจิตใจเป็นสมาธิละเอียดมากทีเดียวนันะดังนั้นเมื่อบุญกุศล น, นี่เกิดเกิดจากสมาธิเกิดจากฌานนี่นะมันอำนวยมันนำไปเกิดในพรหมโลกพวกพรนะ่มจึงมีรูปกาย ละเอียดยิ่งกว่าเทวดาไปอีกแล้วก็ไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายเลยมีพวกพรมนะทำไมยังไม่มีอย่างนั้นไม่มีก็เพราะว่าใจของท่านตั้งแต่เป็นมนุษย์ได้บรรลุฌานสมาบัติจิตสงบแน่วแน่ลงไปละเอียดละออลงไป จิตเป็นกลางไม่เอียงไปข้างรักไม่เอียงไปข้างคังก็เพราะฉะนั้นเมื่อหมดอายุสังขารจากเป็นมนุษย์แล้วอในสงแห่งการสมาธิหรือฌานนะั่นน่ะมันจะไปตกแต่งรูปร่างครมให้แล้วก็ไม่มีเครื่องหมายว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย มันเป็นไปตามอุณาตแห่งกำลังสมาธิกำลังฌาน เ, เป็นอย่างนั้นแต่ว่าอิทธิภาวะภูริษสะภาวะอันนั้นมันยังไม่หมดจากกิจใจถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยสำเร็จฌานจะเป็นมนุษย์ตายแล้วไปเกิดเป็นพรหมโลกก็อเป็นพรหมที่ไม่มี เพศหญิงเพศชายอย่างว่าเนี่ยในขณะที่เป็นพรหมอยู่แล้วนะถ้าถ้าเป็นผู้ชายได้สาเร็จฌานสมาบัติจะเป็นมนุษย์ตายลงไปแล้วก็ไปเกิดพมาโลกฌานนั่นกอ็อานิสงฌานกระตกแต่งให้เป็นรูปพรหมแล้วก็ไม่มีเพศหญิงเพศชายแต่ว่าภริสสะพาวะ ภาวะความเป็นผู้ชายนั้นยังมีอยู่เมื่อหมดบุญหมดกุศลอยู่ในพรหมโลกแล้วลงมาเกิดในโลกนี้ก็มาเป็นผู้ชายอยู่ตามเดิมผู้หญิงก็มาเป็นผู้หญิงอยู่ตามเดิมนี่เป็นอย่างนี้แต่ว่าอายุยืนนะพรหมโลกเนี่ยกคพรหมเนี่ยอายุยืน ทั้งหลายกลับหลายกันนะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอา น, นิสงส์แห่งสมาธิอนนานิสงส์แห่งฌานนั้นแหละมันทำให้อายุยืนยาวนานทีนี้พวกเทวดาเนี่ยแต่เป็นมนุษย์นี่บางพวกก็ได้ให้ทานกับรักษาศีลเท่านั้น ส่วนภาวนาไม่ค่อยมีหรือว่ามีกันนิดหน่อยจิตใจไม่ค่อยสงบละเอียดละออเพราะฉะนั้นเมื่อหมดอายุสังขารแล้วไปเกิดเป็นเทวดาจิตใจมันจึงเอียงไปทางข้างรักใคร่พอใจในการมคุณอยู่มันจึงมีเพศหญิงเพศชายอยู่ในสวรรค์เพราะว่า จิตใจยังเป็นกรรมวาวจรอยู่เป็นอย่างนั้นยังพอใจในกรรมคุณอยู่ส่วนที่ท่านเด้เกิดเป็นพรหมนั่ะขอท่านเห็นโทษแห่งกรมคุณเพ่งจิตใจนี้จนเพ่งจิตใจนี่จนบรรลุฌานนั่นแหละเพราะนั้น <c oughs> พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทัมโลกก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ยังไม่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายมาว่ากิเลสยังไม่หมดแต่ว่าสำหรับผู้สร้างบุญบา ร, รมียังไม่เต็ม น, นะถ้าหากว่าสร้างบุญกุศล ประเภทบำเพ็ญสมาธิบำเพญ็เพญฌานอย่างที่ว่าให้เกิดขึ้นไม่ไม่อยากไปก็ต้องได้ไปไปเกิดพรมธโลกเเพราะด้วยอำนาจแห่งคุณธรรมที่ผู้นั้นบำเพญ็ญผู้ใดไม่สามารถที่จะทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นได้ เพียงแต่ได้สมาธิธรรมดาเท่านี้นี่ก็เพียงแค่ไปเกิดในสวรรค์เท่านั้นเองจะไปเกิดสวรรค์ในชั้นสูงขึ้นไปเป็นอย่างนั้นท่านกล่าวไว้ในตำราเนะ่ยเทวดาไปเกิดในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นไป ฉะนี้นี่ความยินดีในกามคุณน้อยลงน้อยลงอย่างเทวดาในชนริมิตตวสาวดีนิมมานาระดีอันนี้เพียงแต่เห็นกันยิ้มใกันเท่านั้นก็พอแล้วไม่ถึงกับได้สัมผัส ร่างกายของกันและ ก, กัน <c oughs> ให้เป็นอย่างนั้นพวกเทวดาก็ดีย่อมมีคุณธรรมสูงต่ำกั่วกันเป็นขั้นๆไปดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจการบำเพ็ญบุญกุศลนี่นะมันก็ขึ้นอ ย, อ, ยอยู่กับความสามารถของแต่ละบุคคล ผู้ใดมีความสามารถมากทำความเพียงเพ่งพินิจโ ย, ยภายในไม่ท้อไม่ถอยก็สามารถทำสมาธิให้สงบลงไปได้ละเอียดละออแล้วก็สงบอยู่นานด้วยผู้ใดมีความเพียง น, น้อย ทำความเพียรลงไปพอแต่ใจสงบลงไปนิดหน่อยแล้วก็หยุดเสียโดยเจริญปัญญาไปธรรมดาปัญญานี่เกิดจากสมาธิเมื่อสมาธิมันมีน้อยปัญญามันก็น้อยตามกันเป็นอย่างนั้นผู้ใดมีสมาธิ ตั้งมั่นอยู่ได้นานปัญญามันก็กว้างขวางการพิจารณาอะไรก็ละเอียดละออได้มันเป็นอย่างนี้เรื่องสมาธิก็ดีไม่ใช่ว่าจะมีกำลังเท่าเทีเทยมกันหมดไม่ใช่อย่างนั้นนั้นอะ่ะจงพาการตั้งสติเพ่งพินิษอ์กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก เท่งเข้าไปหาความรู้สึกภายในนู่นความรู้สึกอ น, นั้นแนะ่ะคือตวัวจิตไม่ใช่อย่างอื่นใดไม่มีรูปร่างสันฐานอะไรหรอกจิตนี้นะ่ะเป็นแด่ธาตรู้เท่านี้นเองวันนี้เมื่อปล่อยกิเลสสนามมันครอบงาความรู้อันนี้เข้าไปแล้วมันก็บันดานให้เกิดความคิด ขึ้นต่างๆ น, น, นานาเกิดคิดไปในทางเป็นบุญกุศลบ้างคิดไปในทางบาปอากุศลบ้างนี่คนธรรมดาสามัญที่ยังไม่ได้ฝึกฝนอบรมตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะมันใจมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละเดียเ๋ยวก็พลิกไปทางบาปเดี๋ยวก็พลิกมาทางบุญ อเป็นไปอย่างนั้นแหละต่อเมื่อผู้ใดได้ฝึกจิตใจนี่ให้มากเข้าไปโดยลำดับลำดับเข้าไปจิตเมื่อได้ได้อบรมจากศีลจากสมาธิจากปัญญาแล้วนั้นก็หนักแน่นบบนี้หนักแน่นตั้งมั่นอยู่ด้วยดีไม่หวั่นไหวต่ออำนาจของความชั่วร้าย ของกิเลสต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจมันก็สามาไม่สามารถที่จะรบกวนจิตใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปได้ผู้อบรมจิตใจสงบแนบแน่นมีปัญญาสอนจิตเสมอไปลนะกิเลสมันก็ละเอียดเข้าไปโดยลำดับไม่ใช่มันจะหยาบอยู่อย่างนั้น โดยเฉพาะเรื่องบาปอากุศลต่างๆเช่นความโลภความโกรธความหลงอันเป็นรากเหง้าของบาปอากุศลนี่นะมันก็เบาบางไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าอำนาจแห่งศีลอำนาจแห่งสมาธิอำนาจแห่แงปัญญานี่แหละมันขุดคุ้ยรากเหง้าของกิเลสออกมาสลัดทิ้งออกไป เรื่อยๆไปมันก็เหลือน้อยไปน้อยไปแหละลากเง่าของกิเลสนะ้นะก็ให้สังเกตดูจิตใจของใครของเราก็พอจะรู้ได้เช่นอย่างว่าผูป้ปฏิบัติภาวนามาก็เห็นแจ้งในไตรลักษณ์แล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่มีวิญญาณคลองก็ดีไม่มีวิญญาณคลองก็ดี การล้วนทั้งแต่เกิดขึ้นแล้วแปรปวนแจกดับไปเป็นธรรมดาเมื่อมันเห็นด้วยปัญญายอย่างนี้นะความโลภมันก็เบาลงเต็มที่เลยเพียวแทบจะว่าไม่อยากได้อะไรของใครหรอกตนมีเท่าไหร่ก็จะบริโภคใช้สอยไปเท่านั้นแหละความโกรธมันก็เบาลงเพราะเหตุว่ามันเห็นว่า คนก็ดีสัตว์ก็ดีต้นไม้ใบหญ้าอะไรรวนแต่เป็นของแตกของดับไม่ใช่เป็นของยั่งยืนอะไรไม่ท้าบจะไปโกรธให้ใครอะ่ะมันไม่มีคนไม่มีสัตว์จะให้โกรธความรู้สึกความคิดความเห็นภายในนะมันเห็นไปอย่างนั้นเมื่อปัญญาตรัยลักษนญาณบังเกิดขึ้นแล้วนะ่ะเหตุนนะั้นมันจึงไม่โกรธใครอะ่ะ ถึงแม้มันจะมีโกรธมีความไม่พอใจให้คนบางคนให้สัตว์บางตัวก็เพียงเล็กน้อยไม่มากนี่ท่านเรียก ว, ว่ากิเลสอย่างละเอียดมันปรากฏนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแล้วพอมีสติระลึกได้แล้วกำหนดจิตให้สงบลงไปแล้วมันก็หายไปอารมณ์เหล่านั้นเน่ย ไม่ได้ละมันยากมันละเอียดเข้าไปแล้วนะถ้ายากตั้งแต่กิเลสส่วนยำหยาบนี่มันได้ออกแรงกันเต็มที่เลยมันเป็นอย่างนั้นเมืองมันนะบางท่านบางคนก็ต้องดอดนอนขอนอาหารเอาชนสูบสิทลงไปปานนั้นจึงทำกิเลสยหยาบนี้ให้ เบาบางลงไปได้แต่บางท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ทำความเพียรทรมานตนอย่างรุนแรงก็สามารถทำกิเลสยามยาบยางหาบนี้ให้เบาบางไปได้อันนี้สมกับที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกบุคคลไว้ว่า สุขขาปฏิปทาคิปปิญญาเวลาปฏิบัติไปก็เป็นสุขแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลโดยรวดเร็วนี่ประเภทนี้นะประเภทนี้เรียกว่าท่านามีนิสัยติดตามตนมาอย่างนั้นจะเริ่มสร้างบารมีมาเป็นคนมี อเป็นเป็นคนมีเชาวไวไหวพลิบดีรู้เท่าทันความชั่วต่างๆได้ไม่ทันให้มันมาหมักหมมอยู่ในใจนี่นานเหตุฉะนั้นท่านจำพวกนี้น่ะพอได้มาปฏิบัติธรรมแม้จะเป็นกระดาษก็ตามเป็นนังบวกก็ั่ง พอมีศรัทธาลงไปปฏิบัติธรรมเท่านั้นทําความเพียรไปก็ไม่ลําบากน้อมใจลงไปละกิเลสตัหากิเลสตนาก็น้อยเบาบางไปโดยลําดับทีนี้บางพวกก็มีนิสัยทําความเพียรละกิเลสยากแสนยากอย่างนั้น ต้องได้อดนอนผอนอาหารต้องได้ทําความเพียเรเด็ดเดี่ยวเอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงทํากิเลสยำหยาบให้เบาบางลงไปได้มันเป็นอย่างนั้นมณิษฐ์ไสววัฒนาที่ฝึกฝนอบรมตนมาแต่ก่อนนั้นอ่ะยิ่งกว่ากันย่อนกว่ากันไม่เหมือนกันมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณ า, นานดูนิสัยวาสนาของตนสติปัญญาเป็นยังไงนี่ทุกคนก็จะรู้ได้ด้วยตนเองแหละตนเองมีนิสัยฝึกมันแสนยากก็รู้ด้วยตนเองได้นิสัยของตนมันฝึกง่าย ไม่ได้ทําความเพียร ท, ทนทุกข์ทรมานเท่าไหร่กิเลสมันก็เบาบางไปอย่างนี้มันก็มันก็รู้ด้วยตนเองแหละผู้ใดทําู้นั้นรู้ด้วยตนเองเป็นอย่างนั้นการ ป, ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็อย่าไปปฏิบัติไปแบบเดาส่มไปหรือว่าทําตามๆกันไปเฉย แล้วมองไม่เห็นผลดีขึ้นในใจของตนเายอย่างนี้เพียงแต่เชื่อตามหมู่ตามเพื่อนไปก็ทำไปเรื่อยๆไปอันนั้นไม่ไม่ค่อยจะได้ผลดีเท่าไรละ่ะที่จะได้ผลดีตนทำความเพียรไปตนเกาะประเมินผลของการกระทำไปเมื่อตนภาวนามา เริ่มภาวนามา น, นีมันเป็นยังไงอีะกิเลสมันเบาออกจากจิตใจไหมมันเบาวางไปมากน้อยเพียงใดอันนี้มันต้องกำหนดรู้อ่ะหรือว่ามันยังไม่เบาเลยอย่างนี้ก็ต้องกำหนดรู้ถ้ามันยังไม่เบาหรือว่าเบานิดหน่อยอย่างนี้นะเราก็จะได้เล่งความเพียร ให้มากเข้าไปไม่ใช่นนั้นแล้วมันก็ละกิเลสให้เบาไปกว่านี้ไม่ได้ถึงว่ากิเลตันหาอาวิชชาต่งตางๆหมดนี้นะ่ะมันจะน้อยเบาบางไปได้นะเบาบางไปด้วยอำนาจแห่งความอดความเพียรเพียนเพ่งพินิษฐ์ให้มากให้ติดต่อกันไม่ใช่ว่า พอต่ว่าทาใจสงบเป็นสมาธิเท่านั้นแล้วได้ความสบายแล้วหรยุดเสียไม่ภาคเพียรพินิษพิจารณาด้วยปัญญาอย่างนี้นี่มันมั น, มนกิเลสมันไม่หมดไปแล้วอาศัยแต่สมาธินิดๆหน่อยๆเท่านั้นกิเลสมันไม่เบาบางไปขอให้เข้าใจ ทีเล็ดมันจะเบาบางไปก็เพราะความเป็นผู้ที่มีความเพียรติดต่อกันเช่นเคยมองเห็นร่างกายนี่เนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือว่ามองเห็นร่างกายนี้ด้วยปัญญาว่าเป็นของปฏิกูล โ, โรกไม่เป็นสิ่งที่น่ายินดีพอใจอะไรเลยอย่างนี้นะ นี่ถือว่ากรรมฐานได้เกิดขึ้นในใจก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้เรื่อยๆภาวนาทีไรก็เพ่งเข้าไปหากรรมฐานอันนั้นเมื่อกรรมฐานอย่างนั้นปรากฏขึ้นในใจแล้วเช่นนี้ใจก็จะส ง, งบลงไปได้ไม่ลาบากการเจริญวิปัสสนาก็เหมือนกัน เมื่อตนรักษาความรู้ความเห็นในไตรลักษณญาณไว้ได้คือว่ากำหน ด, ดดูเวลาใดก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏอยู่ในใจอย่างนั้นคือว่าเห็นธาตุสี่ขาน่านี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรนี่มันเห็นอยู่นั่นเลือ่อยไปอ่ะ ไม่เห็นว่าขา น, น่านี่เป็นตัวเป็นตนเลยอย่างนี้นะนี่แหละเมื่อเมื่อความเห็นอย่างนี้มันไม่เสื่อมเราภาวนาเวลาใดใจสงบลงไปแล้วก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็กระจ่างขึ้นมาเลยไม่ไม่ได้พิจารณาให้ลำบากกำหนดดูร่างกายนี้ก็เห็น เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรมันก็เห็นอยู่ตลอดไปเลยเลื่อยไปเลยกำหนดเวลาใดก็เห็นเวลานั้นไม่ยากเมื่อเ ร, เราได้ภาคเพียรพยายามเพ่งพินิจจอนว่ามันเห็นแจ้งมาแต่เบื้องต้นมาแล้ว หากมีความเพียรติดต่อกันไปอย่างนี้นะไม่ไม่ให้ความรู้ความเห็นอันนี้มันเสื่อมอ่ะกําหนดเลลวลาอะไรมันก็รู้ก็เห็นเวลานั้นหมายความว่าอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่าไปทอดทุระความเพียรเสียไม่มันเพ่งพินิษพิจารณาให้ยานความรู้ทั้งสามประการนี้บังเกิดขึ้นติดต่อกันไปอย่างนี้มันอาจเสื่อมได้ มันจะเมื่อมันเื่อมแล้วมันก็เห็นอะไรก็เห็นเป็นตัวเป็นตนไปแล้ ว, วันนี้นะอืมเห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัส ต, ต่างๆวันนี้ก็เห็นว่าเป็นเขาเป็นเราไปวันนี้เราอย่างนั้นเราอย่างนี้เขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้ไปแล้วนี่แหละเมื่อเมื่อมันลืมตรลักษณ์นัยน เสียแล้วให้ความยึดปั้นถือมันในธาตุสี่ขันห้าว่าเป็นเขาเป็นเรานะ่มันก็กลับเกิดขึ้นมาอีกมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ทำให้มากจเจริญให้มากเมื่อทำให้มากจเจริญให้มากแล้ว ก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความเห็นจริง<ม>เพื่อความบรรลุอริยสัจธรรมของจริงทั้งสีืเ<ม>คจะได้รู้แจ้งในทุกข์ว่าขันธ์ห้านี่มันเป็นทุกข์ทุกข์ก็มันไม่เที่ยงมีความแปลปวนแตกตับไป มองเห็นว่าจิตใจที่ไปยึดมั่นอยู่ในขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอันนี้ใจนี่ก็เป็นทุกข์เพราะความยึดถือในของไม่เที่ยงเนี่ยมองเห็นทุกข์กันอย่างช่อยๆนะทุกข์กายกับทุกข์ใจบันนี้มันทําะไรยังเป็นทุกข์อ่าก็เพราะมันเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้ ไม่เป็นไปตามใจหวังเหตุฉะนั้นมันจึงจะเป็นทุกข์นี่มันก็รู้ชัดขึ้นมาเลย ว, ว่านี้เมื่อเมื่อความรู้ความเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้อย่าให้มันเสื่อมนี่สำคัญตรงนี้นะการพิจารณาเห็นที่แรกนั้นมันพอเห็นได้อยู่แต่แล้วไปๆแล้วมัน เกิดความประมาทขึ้นมาไม่ทําความเพียรในติดต่อคือไม่มันเพ่งพินิษกลัวดูความรู้ความเห็นอันนั้นมันก็ลบเลือนไปแหละความรู้ความเห็นอันนั้นนะความถือเขาถือเรามันก็เกิดมีขึ้นเมื่อความถือเขาถือเรามีอย่างนั้นแล้วไอ้ความโลภความโกรธความหลงมันก็มีมาตามกัน นี่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ <c oughs> ดังนั้นน่ให้พึ่งพากันจำอุบายต่างๆเหล่านี้ไว้ตามขั้นตอนที่อธิบายมาเราต้องทำความเพียรไปเป็นขั้นตอนไปเอาผู้ที่ศีลยังไม่บริสุทธิ์ก็พยายามรักษาศีลให้บริสุทธิ์ไป อย่างนี้แหละเพราะว่าถ้ากว่าศีลไม่บริสุทธิ์แล้วจะไปบาเพ็ญสมาธิให้สงบระงับแน่วแน่ลงไปมันไม่ค่อยได้ละเพราะว่าบุคคลผู้ไม่สำรวมในศีลมันทำบาปบาปมารบกวนกจิตใจอยู่เสมอทำให้ใจสงบลงไม่ได้ดังนั้นเนี่ย พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทำรากศิลให้บริสุทธิ์เสียก่อนที่บุคคลมีศรัทธาจะภาวนาจะฝึกข น, นอบรมจิตให้เข้าถึงความสงบอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นได้มันต้องได้ศิลเป็นรากซะก่อนเป็นพื้นฐานก่อนอย่างนี้ต้องให้เข้าใจเมื่อ รักษาสินสำรวมในสินให้บริสุทธิ์ด้วยดีได้แล้วการเจริญสมาธิภาวนามันก็เป็นไปได้ง่ายแบบนี้นะไม่มีบาปมารบ ก, กวนจิตก็ไม่ค่อยพุ่งส่านเลื่อนลอยเท่าไหร่ความว่องเหงาหาวนอนตั้งต่างนเนี้ยไม่ค่อยครอบงำเพราะกำลังบุญกุศลมันมีอยู่ในใจ ใจมันเอิบอิ่มอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลกิเลสต่านั้นจึงครอบงำจิตไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะเพิ่งพากันพิริศพิจารณาดูจิตใจของตนว่าตนนั้นในมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เรื่อยๆไปหรือ หรือว่าลืมตัวไปเป็นพักๆอย่างนี้นะก็ต้องให้รู้เลยไม่รู้อย่างนี้มันก็จะไม่ทำความเพียรให้ติดต่อกันได้เอาเอาแต่ได้เนียยว่าทำความเพียรไปตามยถากรรมเมื่อมันขยันจึงเร่งรีบเร่งเข้าไปถ้าเกิดเกียดคลานขึ้นมาก็ถอยซะเอาแต่หลับแต่นอนเอาแต่เพลิดเพลินไป ออย่างนี้นี่จะให้ความรู้ความเห็นอันแจ่มแจ้งที่ว่านี่มันยั่งยืนอยู่ในจิตใจนั้นเป็นไปไม่ได้เลยย่อมเสื่อมไปอื ม, มเป็นอย่างนั้นฉะนั้นได้พากันคิดให้ดีกลัวว่าผู้ปฏิบัติธรรมนะผู้นับถือพุทธศาสนาเนี่ยจะ ก, ก้าวขึ้นมา ถึงขั้นพอใจในการเจริญสมาธิหรือว่าพอใจในการรักษาศีลในการเจริญปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายนักถ้าบุญไม่หลายจริงๆมันก็จะไม่เกิดความพอใจในการที่จะฝึกตนตามศีลสมาธิปัญญานี่จะท้อถอยในท้อใจทำไม่ได้ คนอินทรีย์ยังไม่แก่กล้าคนเกียจคร้านทำความเพียร น, นะมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นผู้ใดหวังความก้าวหน้าหวังความให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยเร็วเช่นนี้นะต้องทำความเพียรให้ติดต่อกัน ไม่เฉพาะแต่นั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นออกจากสมาธิภาวนามาก็ทารวมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่แล้วก็ให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่อย่างนั้นกอ เ, เมื่อจิตมันเห็นธาตุสีขันธ์นี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมออย่างนี้แล้ว จิตนี้มันก็จะไม่ถือมั่นนี่ในขันห้านี่ก็จะปรงปรงวางวางไปเรื่อยๆจิตก็หนักแน่นเข้าไปเมื่อปล่อยวางขันห้านี้ลงได้เมื่อขันหน้านี่มันวิบัติแปรปวนจิตก็ไม่แปลไปตามนักษณะของจิตที่ปรงวางขันหาน้าลงนะเมื่อขันหน้านี่มัน อยู่ดีมีสุขปกติไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรมันก็ไม่หลงมันก็ไม่เพลินไปตามพอาะรู้ดีอยู่ว่าขันหน้านี่ถึงแม้ว่าต่เวลานี่นะ่ะมันจะเป็นปกติไม่วิบัติก็จริงอยู่แต่ว่าอาศัยมันนานไปนานไปมันไม่ฟังคนเราทาไมเจ็บไม่ป่วยไม่ตาย ก่อนจะตายมันต้องเก็บต้องป่วยอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนอย่างนี้มันถึงได้ตายดัยงนั้นน่ะก็ต้องพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วจิตใจก็จะดำเนินไปในทางมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางแลว จิตใจไม่เอียงไปข้างรักไม่เอียงไปข้างจังอยู่ตรงกลางบบบ น, นี้นะมองเห็นความเกิดขึ้นความเสื่อมไปสิ้นไปของสังขารทั้งหลายที่มีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองแต่มองเห็นด้วยปัญญาว่ามันมีเกิดและแปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้น ก็มองเห็นอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปมันก็ไม่หลงแล้ววะนี่นะอืมก็รู้นี่แหละต้องใช้ปัญญาสอนจิตอันนี้อสอนให้มันตื่นตัวว่าตนมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนี่นะสอนให้มันตื่นตัวตรงนี้แหละไ ม, ไม่ต้องไปคิดอะไรให้ก้วงของพิสดารก็ได้ ถ้าเรารู้เหตุผลความจริงมันนะก็ดวงกิจดวงนี้มันมาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงจริงๆนี่ร่างกายนี่นะใครว่ามันมันเที่ยงมันยั่งยืนนะมีที่ไหนอ่ะแต่ว่าใจที่ถูกอวิชชาตันหาครอบงำนั่นนะมันหนักไม่รู้จักทางออกเลยนะ ได้มาอาศัยเกิดอยู่ในขันห้านี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะออกทางไหนมันถึงจะพน้นจากทุกข์ถึงจะเป็นอิสระเสรีได้มันไม่รู้ทางออกเพราะว่าก็ตนยังไม่สิ้นจากกิเลสมันก็จะรู้ทางออกได้อย่างไรอันว่าพระเจ้านั่นพระ อ, องค์ทรงพยายามด้วยพระ อ, องค์เอง จนรู้อุบายทําอาสวะคกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยพระองค์เองเลยเช <c oughs> ่นนั้นแล้วพระองค์จังน้อมเอาความรู้อันนั้นแหละวะนี้มาสอนคนนะอืความรู้จริงที่พระองค์เจ้าตัดสรู้แจ้งแล้วแล้วเน่ยเพราพราะองค์เจ้าตัดสรู้แจ้งในมาร์ธมารู้แจ้งทั้งส่วนที่เป็นบาป รู้แจ้งทั้งส่วนที่เป็นบุญกุศลรู้แจ้งส่วนที่เป็นมรรคผลนิพพานก็รู้ชัดเลยเมื่อพระองค์เจ้ารู้แจ้งในบาปพระองค์ก็ระบาปได้เมื่อรู้แจ้งในบุญก็สั่งสมบุญให้เต็มได้เมื่อสั่งสมบุญให้เต็มแล้วอาศัยบุญเป็นกำลังใจ กำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากกิจใจนี่อาศัยบุญกุศลอันนี้เป็นกำลังใจสอนใจให้ละอุปท า, านความยึดมั่นถือมั่นในขันหานี้ว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่สอนให้มันละมันวางลงไปอันนี้แหละความหมายของการฝึกตนน ะ, ะเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะ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 ละมันเสียกิเลสอันใดถ้าละด้วยปัญญาแล้วส่วนมากมันไม่กลับคืนมาอีกมีแต่มันหายไปหมดไปหมดไป ม, มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเพราะฉะนั้นการฝึกฝนจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปนี่นะ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 อันมันจะลากกิเลสได้ในเพราะมันทวนกระแสกลับเข้ามาในปัจจุบันมาสอนจิตที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอสอนให้มันเห็นแจ้งเมื่อมันเห็นแจ้งน่ะสอนให้มันละสอนให้มันรู้เท่าส่วนที่รู้เท่าน่ะส่วนที่ละก็ให้ละอะไรที่สอนให้จิตรู้เท่าอ่ะทุกแลยทุกเลยขาน้านี่ฮะ เพาตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี่นี่ยทุกนิมนกติตามมาอยู่งั้นนะทุกกายโรคภัยก็คอยเบียดเบียนร่างกายนี้อยู่เสมอทำให้กายนี่กระวนกระวายกระเสือกกระสนไปหาหมอรักษามันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะ อันนี้ทันใดก็อย่างนั้นเนี่ยโรคจิตเมื่อโรคจิตคือความโรคโกรธหลงราคะโทสะโมหะนี่เกิดขึ้นแล้วก็ทําจิตที่ให้ดิน้นรนกระสับกระส่ายเหมือนร่างกายนั่นเนีะเหมือนโรคภยัยเบียดเบียนร่างกายนั่นเนี่เอารุนแรงมาพอแล้วก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่อางนั้นเนี่ย เดินก็เดินไม่ได้แบบนี้เล่นกลิ้งเอานี่แหละคนเรามันไม่รู้จักทุกเพราะองค์สอนให้รู้เท่าทุกอย่างนี้หันหน้านี่บังคับมันไม่ได้ไม่ให้มันแปลปวนไม่ให้มันเป็นทุกข์ก็เมื่อมันบังคับไม่ได้ล้วก็ปรงกวางไว้ตามสภาพไม่ต้องสาคัญว่าเราเจ็บเราปวดเราจะตาย เราเป็นโน้นเป็นนี่ไม่สำคัญมันเลยแลวอก่าสังขารนามรูปอันนี้มันแปรปวนไปมันกำลังจะแตกจะดับอยู่ในขณะนี้เราลบสมมุติอันนั้นทิ้งไปเลย น, นั่นแหละขันหะนี่ก็ลบลงไปอีกก็เหลือแต่สภาวธาตุหมดนี่นะ น, นั่นี้ลรูปธปาตุอารมณ์ธปปาตุ สิ่งที่มองเห็นด้วยตาเนี่ยเรียกว่ารูปธปาตุสิ่งที่รู้ด้วยใจเรียกว่าธรรมธาตุหรือว่าอาร ป, ประธาตุแปลว่าธาตุที่ไม่มีรูปร่างมันก็ไม่มีจริงๆ่งเช่นความโลภโกรธหลงอะไรพวกนี้นะมันจะมีรูปร่างมาแต่ไหนายอยู่นั้นมันเป็นธรมรมอารมณ์ซึ่เกิดขึ้นในใจนั่นนะ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 จะไปโต้ตอบกันไปทำไมเพราะคนพวกนั้นมันกำลังหลงอยู่ตนนั้นพอรู้ตัวได้อย่างนี้ไงตนก็ไม่โกรธตอบแล้วอันเมื่อตนไม่โกรธตอบแล้วเรื่องชั่วร้ายเหล่านั้นมันก็ระงับไปเองไม่ยึดไม่ถือเอามันน่ะความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆหมดนี้นะเมื่อรู้ว่าร่างกายนี้มันเป็นธาตุ สี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่แล้วก็มีโรคภัยเบียดเบียอนอล้วก็เบียดเบียนธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเนี่ยโรคภัยนะมันไม่เบียดเบียนอย่างอื่นนี่ออันที่ว่าตายตายนี่นก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยมันแตกดับลงหรือว่าน้ำมา ร, รมเวสนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเนี่ยมันดับลงไปเรียกว่าตายสมมุติว่าตายคนตายเนี่ย แต่ถ้าลบสมมติอันนั้นออกทิ้งจะแล้วปรากฏว่ามันไม่มีคนตายอย่างนี้อันเนี้ยมันไ ม, ไม่มีคนตายมีแต่ดินน้ำไฟลงมันแตกสลายออกจากกันนมามธรรมก็ดับไปตามเรื่องเท่านั้นเนี่ยเรามาพยายามเจริญความคิดความเห็นให้มันแจ่มแจ้งขึ้นอย่างนี้